ผลของกรรมเป็นสาคัญทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำชั่วแล้วจะได้ดีที่ไหนทำดีแล้วจะชั่วได้อย่างไรอันนี้คือกฎการกระทาแต่ทุกวันนี้เขาก็พูดว่าทำดีได้ดีเออก็มีน้อยทำชั่วได้ดีมีถมไปลักษณะอย่างไ น, นแต่ตามไม่จริงทำชั่ว อีกสักวันหนึ่งเขาเจะได้ถึงจะได้ดีกว่าเธอในเมื่อเขารู้เรื่องรู้ราวขึ้นมาแล้วเขาถลอกหลังขึ้นมาแล้วเมื่อไหร่กับเมื่อนั้นแหละค ว, วามชั่วเปิดเผยขึ้นมาเมื่อไหร่ถึงตัวเองจะว่าได้ดีกว่าเธอเพอเพอจะเข้าคุกเข้าตารางเป็นที่ติฉินนินทาคนทั่วนหน้า